แค่นั้น I don't know. ภาพยนตรหรือหนังที่เราดูเนี่ยจบแล้วเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีรายการอุคคลสามทางสามทางที่ภาพยนตร์หรือหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็จะมีบุคคลใครว่าทําอะไรบ้างทำอะไรมากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคคเหล่านั้นคนจะไม่ค่อยสนใจสนใจที่เราดูพอมันชื่นพระโกฏเหล่านั้นเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราปิดทีวีหรือว่าเราปิดหรือว่าเราเปลี่ยนช่องเลยแล้วทำอย่างอื่นจริงไหม ไม่มีใครดูร า, ายชื่อที่ขึ้นมาแต่ละรายชื่อแต่ละรายช่นไม่มีใครดูน้อยมากที่คนจะดูใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะเปลี่ยนทันทีแล้วก็หนามันจบแล้วจริงไหม เ, เป็นแบบนั้นจริงๆนะสำหรับเหมือนกันนะครับที่เราเหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยอพอความรุ้อคืนผู้ช์ของพระเยซูฟะเปลเรื่องที่สำคัญจริงๆแส่วนใหญ่คริจัทั่วโกแลกทุก ท, ที่นะเราจะพูดถึง ความจริงเฉพาะเดือนเดือนนี้ที่นี่ก็เหมือนกันจากเดือนแรกรับทำนเทานก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกถึงพระชนแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่ามันจบไปแล้วเหมือนหนใช่ไหมครับเดือนต่อไปเดือนต่อไปเดือนต่อไปเดือนต่อไปไม่มีการพูดถึงการฝึกถึงพระชนนิทานเรื่องอื่นจบครับครบไหมอีกปีหนึ่ากลับมานิทศนอีกันแต่จริงๆแล้วแม้ว่า บางฟื้นทึ่งพระชนเนี่ยพี่น้องอาาสาคัญตลอดเวลานานตลอดเวลาม เ, เกีข้อเือนนี้นะครับแต่ว่าเาดืนนี้เองาเจากมันรงื้นฟืนพระชนพระเยซูคจากโลกโลกหายก็ดีนะครับสวยาจ า, ยากเทศกาเรื่องราวการฟื้นผึงพระชนของพระเยซูแต่ว่าในคำวันเนี่ยสิ่งที่เราจะดูดกันไม่เี่ยวกับรพระองค์ฟื้นผึ้งระชนเลครับใายหลังจากที่พระองค์ฟื้นผึ้งพระช น, ชนเนี่ยมีอะไรบ้าง สำคัญสำคัญที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับหลังจากที่พระเยซูที่ทรงพื้นคือพระชน์แล้วพี่น้องในสิ่แรกที่เราจะดูด้วยกันยิ่งพระองค์พื้นคือพระชน์แล้วพระองค์ทรงปรากฏ โ, ป, ป, โ, ป, ป, โ ป, ปแก่เหล่าสาวของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าพระองค์ทพื้นแล้วก็ไม่ได้ปรากฏกับเหล่าสาวกของเราก็ถือว่าการพื้นของเรานะั้นไม่ สมคุไม <LEY> e. ่ส <cas ello vivo> ําเร็จไม่เป็นความจริงนะครับดังนั้นเวลาเวลาเจ้าหน้าที่ตารวจเวลาจับผู้ร้ายหรือว่าจับใครก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนก่อนบางครั้งเนี่ยเมื่อวานที่เรารู้ไหมเมื่อวานเนี่ยช่วงเวลาเช้าประมาณเก้าโมงถึเที่ยงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทางอันตรายที่มาอบรมให้กับผู้นำพื้นที่แล้วก็เยาวชนเปิดมาทำงามาที่นี้นะครับ เกือบร้อยกว่านว่าชุมชนที่เราอยู่นี่มียาเสพติดไหมโอ้โหแล้วเราจะมีไหมแล้วเราจะจัดการอย่างไรและจะมีจากของความเชื่อยอย่างไรแล้วเราจะมีมีมมทําเป็นเป็นแผ่นกระดาษที่เขียนไวน้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยชุมชนบอกว่ายาเสพติดในชุมชนของเขานะ่ยมีให้เห็นเลย เห็นจักจ่ายเห็นชัดชัดขายกันเห็นต่งหน้ า, อ, านอย่างนี้ยแต่ทำอะไรไม่ได้พี่น้นองบางครั้งในประปันีเนี่บางทีหลักฐานชัดเจนแบบนั้นแต่บางทีด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่ไม่สามารถจะดําเนินการได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของพระเยซูพระ ร, รุร่งทรงปรากฏต้องชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนว่าพระ ร, รุร่งทรงปรากฏจริงนะครับ แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่พระองค์ท ร, รงมาปรากฏเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของผู้เชื่ออย่างไรเรามาดูด้วยกันเลยครับสิ่งที่พระองค์ทรงปรากฏของพระองค์ทันทีหลังจากที่พระองค์ทรงพื้นในพระธรรมของพระเจ้าดูที่น้อยลงในสุชีป่าที่เราเราดูนะครับเริ่มด้วยพระองค์ทรงในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ที่เราอ่านด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นถึงพระเยซูทรงปรากฏแก่มารีชาวมัตยาลา น, นะครับ มารีชาวม ด, ดาลาซึ่งพระองค์ทรงปรากฏแก่เธอแล้วในพระคัมภีรพระเจ้าตลอดข้อหนึถึงสิเนี่ยเราใจว่าไม่เพียงแตมารีชาวม ด, ดาลาจะบอกมารีอีกคนหนึ่งแล้วก็เมื่ออ่านต่ออีกนะครับข้อ8ข้อ 9, เาเนี่ยเาพว่าผู้หญิงอีผู้หญิงอื่นอีนั้หนนะหมายความว่าจะมีะมารีชาวมดร า, าเป็นคนแรกที่เข้าไปในองแล้วก็จะมีผู้หญิงที่ตามไปด้วย ที่อนกับขอยกย่องผู้หญิงเท่านั้นนะครับในในขีตจักรตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ขีจักรส่วนใหญ่ก็มีผู้หญิงเยอะนะครับะฉะนั้นเราขอบุญเจ้าผู้หญิงฝัน้าที่กับคือลีโลนแลวก็พระทรงรับบทใหญ่หญิงชาวบ้านารามีคนหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราดูในคต๊ะฟ้าอธิบายทระราบินาชน่าจะเป็นภรรยาของโบฟาสนะครับ หอาจจะเป็นแม่ของยากรเวลานี้นกันนะครับไปยิงมาในคนหนึ่งแล้วก็พี่งทิงอันนี้เป็นสีที่หลักหานชัดเจนนะครับที่รปทรงระตูแล้วก็รูปทรงประตุเนใครกนะครับเปโตรพี่น้องอ่าเปโตรเนีพระเยซูกิตรักบุญจากเปโตรเป็นส่วนตัวเลยนะทำไมเป็นส่วนตัวเดี๋ยวเราาจะมีคำตอไปด้วยกันนะครับรูปทรง ปรากฏแก่เป็น so ต like like so like so so so so si ัเป็นพิเศลส่วนตัวส่วนตัวพระองค์ทรงมีอะไรที่จะบอกกษัตริย์เป็ตัเป็นส่วนตัวนะครับเพราะการใช้คำว่าแสดงสงฆทยเป็นตัวเป็นส่วนตัวคนเดียวแน่นอนหลายๆครั้งเราต้องการคนใดทุกคนที่เราอยากจะพิส่วนตัวนั้นเรื่องสคัญแต่สิ่งที่พระเยซูยึดเรื่องส่วนตัวที่คุยกับเป็นตัเนเรื่องใดครับตามแน่นอนพระองค์ประสงค์ มาเป็นเป็นที่เรารู้กันก็คือประกาศพระธรรมของพระเจ้าสองฝั่นะครับนี้เป็นเรื่องของเป็นโจอนะครับพี่น้องถ้าเราอ่านในสุชีบาเนี่ยเราจะประกาศของพระเจ้าแบบนี้นะครับเราอ่านด้วยการในลูกาบทที่24ี่ข้อ3ามสิบนะครับพี่น้องประาศพระธรรของพระเจ้าลูกาบทที่ยีสิบสี่ข้อ3ามสี่นะครับลูกาที่สิบสี่ข้อสามสิสนะครับ ข้อสามสี่บอกว่ากบเราพูดว่าองค์รู้เป็เจ้าทรงไปขึ้นมาแล้วจริงๆแต่รุงคทรงปรากฏซีโมนะครับซีโมแล้วก็พระองคอ่านในหนึ่งคอิกบุที่5ในบทที่1ิบห้าข้อ้เราพ็เห็นพระองค์ทรงปรากฏกับเปโตรนรที่เป็นส่วนตัวที่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะบอกนามสกุัญายาให้กับเปโตรที่จะ เป็นคนที่จะรับใช้โต่อไปนี่บุคคลต่างๆที่พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏนะครับที่เราเราเปิดในสีบับของเรานะครับเราจะเห็นว่าุคคที่ได้อยู่ในสขีบับของเราที่ในเช้าเนี่ยจะมีสาวอีกคนที่เดินไปลงสาวรูอคนนี้หลังจากที่เมื่อพระเยซูสิ้งพระชนม์ตื่และก็มิสลิมมถึงฝันสาวรูคนก็กลับไปอย่าเดินไปอย่าวน ที่บนถนนไปที่อิมาอุนนะครับก็คุยกันแล้วก็สนทนารู้สึกเศร้าแล้วก็สับสนเอ๊ะทำไมถึงชีวิตจะสับสนนั่นก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมพระเยซูเป็นอย่างนั้นกําลังคุยกันแล้วก็คุยคุกันกันอะไรคุยกันพระเยซูมาปรากฏแต่ไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นใครเขาคิดว่าพระเยซูเป็นแก่นะเดินทางทุกคนอันนี้เป็นสื่อที่สับสนที่น้องก๊า หลายๆครั้งในชีวิตของเราเราจะเมื่อเรื่องราวของไปเจ้าเหมือนที่เราตัดสินเราาจะทํำไมเป็นแบบนั้นมีคํำถามนะจับได้แล้วตอนลูกตอนเด็กอายุประมาณป่วงปาสองปเนี่ยเวลาเราพาไปไหนด้วยกันลูว่าจะถามทาไมพ่อทำไมป้าทําไมทํำไมมีทํำไมตลอดเลยบางครั้งเนี่ยเราเราเราเราเลือกเรื่องราวของพะเจ้างเมือนที่เราเองเหมือนกับเด็กเราก็ถามทําไมทําไมแบบนั้นทำไมอาทิถามมาตั้งนานแล้ว จะอาจะตอบสั้นทีนะ่งอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้องแล้วก็สิ่ที่พระองค์ทรงประกุจของพรงะองค์ราชาที่นั้นสาวกที่ปิดประตุแ น, น, น่นหนานะครับพี่น้องเราถ้าเราอ่านในยอนะครับเราอ่านด้วยกันนัะยอหนึ่งที่ยี่สิบยอหนที่ยี่สิบนะครับยอหนึที่2ยี่สิบถ้าเราจับด้วยกันข้อ19 ข้อ19ถึง23นะครับที่อันนี้ชั้งแรกยิปโรมสุปรากุนะครับแล้วเราจะน็จะเป็นของโอมาเรื่องราวตันนี้ให้พี่น้องอ่านข้อ19ถึง23นะครับเพราะครับคำวันนั้นเป็นวันที่เริ่มลงตัวแล้ว พิดาจะใช้เราม่ช่เราจะใช้พันานไป่นั้นครับงที่เราหันแล้วจึงส่งพระไปให้ายของพรเขาปกาว่าโจรพระทั้งท่ยวามิดาของผู้ใทั้ทยรก็จะเสียแล้วทั้งทั้งเย์ให้ความผิบาผู้ใจความผิบาปนั้นะนี่นองตอนนี้ สาทีิสุจนํารงกขั้น่ำนครับอาหารไซด์กันนะครับสารที่สี่เอาพร้อมกันอาหารไ้ดยกันนะครับสามพิสูจน์ดำรงค์ข้นต่ำป๋าเนีสาริสุจตอนนี้แม่แม่ผูกขากับเอ้แม่หองกับที่จาละมีกระสอบมันผ่านซด์ก็กับ โอเคการทักทายกับพี่น้องคนไทยครับขอโชคดีใช่ไหมคนไทยเวลาเจอการทักทายกันกินไม่ได้เปลนผู้เชื่อโชคดีนะครับโชคดีค่ะแต่ละตอนนี้เราไปขึ้นเจ้าเราไม่บอกเขาโชคดีแล้วสังเกตงจนรับร่มกับท่านทั้งหลายจะอาจจะยาวหน่อยเราก็คือนะไม่ว่าจะยามหน่อยถ้าเราคุยพูดบ่อยเนี่ยมันก็ไม่ยาวใช่ไหมแต่เช่นอ่าขอพระเจ้าอุทกกร จากเด ah? ah? ouais. ื่อที่เราที่เราไม่ได้เป็นที่เียเราพวกว่าโชดีแต่มาเป็นที่เสียเราพวกว่าขอบพระเจ้าอู่ก็พอเพิ่มอีกได้ไหสารที่สุดจนนำรงกับท่านทั้งหลายสาที่สุดจนนำรงกับท่านก็ได้นะครับประมานั้นอยาให่อ่เพราะว่าเราอยากให้ชีวิตชีวิตทุกวันเนี่ยถ้าเยืูอยากให้สาวพกเราต้องมีสารที่สุดคุณมีเงินมากมายแต่ถ้าไม่มีสารที่สุดก็มันก็ไม่มีไ คนยาเจนดูขันไม่มีสารสุดมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชนรื่งชีวิตอยู่ในแต่ละวันนี้สาที่สุดเพราะนั้ให้ยซู ต, ต่ว่าสาที่สุจนกำลังกท่านตอนนี้เปี่ยเป็นอันนี้เป็นการท้าทายของชาวยวลาพบปะเจอกันนะครับม้ว่าเราไม่เป็นชาวยูเราก็สามารถที่พบปะเจอกันสาที่สุดจนกำลังเป็นครับผู้ที่ไมเยซูทุดเราเป็นสาวไม่สรใช่ไหเนาะ สัตยที่สุดจนรงนเราก็แล้วกสิทําให้คนที่อ่ฟังก็คนที่ได้รับจากผู้เชนั้นเขาจะรู้สึกดีจไหมสัตย์ที่สุดจนำรงกันอยากเอาพู้หมายน้ำไม่ใช่โชคดีแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่อ่าขณะที่อ่าสาวมุกใช่ไหมสาวกทั้งหลายเนี่ยเปประตูแน่นหนามีความกลัวนะครับเกิดความกลัวเปิประตูแน่นหน พระเยซมาปรากฏสามถึงสบเหมือนท่านนะครับแล้วก็เมื่อเราดูต่อไปหลังจากข้อยี่สิบหไปต้นไปเนี่ยเราจะสารวจทั้งโทมัสก่อนนั้นไอ้โทมัสไม่อยู่นะโทมัสไม่อยู่แล้วก็เพื่ออ่านต่อเนี่ยหลังจากนั้นพระเยซูปรากฏอีกฟ้าหนึ่งนะครับร 2, แล้วเราจทั้งหมดเลยทั้งโทมัสด้ว ย, ยที่นั่น แล้วก <c ười> ็อยู à, ่รวมตามโครงกันอยู่ทั้งหมดแล้วก็เช่นเดียวกับประตูก็ปิดเหมือนกันช่วงเราอ่านต่อนะพี่น้องประตูก็ปิดแล้วก็ให้เราจะอ่านต่ออีกนึงนะครับพี่น้องเราจะได้เห็นนะครับต่อช่วต่อไปถึงอี่สิบนะครับไปจนถึงยี่สิบก้านะครับพี่น้องอ่านต่อนะครับเพราะถ้าไปตรงมาที่เรียกื่องซึ่งเป็นอาปกรณ์อื่นน ไม่ได้มีแบบผู้สาวจริงๆนะ h าวบอกคือคือบอกตรงน้าว่าเราแค่เห็นพระพุทจ้าแต่ตรง ตอนนั้นเป็นผงมาก็ไม่อยู่นะตอนนี้ผงมาก็ไม่เชื่อโอ้เป็นไปไม่ได้กัเรื่องพระเยซูจูงปีขนาดนั้นเลยฝังนั้นขนาะนั้นถึงปีประตูมองขนาดนั้นพื้นคืนไม่ได้ถ้าจะพื้นึืนมาได้ผมนี่แหละแต่ก็เอานิ้วละเอียเข้าไปในปากนิ้วแล้วอัดฟ้าไปที่สี่ข้างนะครับแต่แล้วเมื่อนี่แหละหลังจากนั้นเมื่อเป้าวงกามแม้ว่าไม่ได้เป็นอย่ที่ผมาเชื่อ แต่ถ้าเราเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นข้อก้าวีตั้งแต่ข้อสิเก้าไปต้องไปถึงข้อเก้ลยพระเยซูพูดหลายหลายครั้งเลยอย่างน้อยสาครั้งเรื่องสามที่สุดจนลำโกรกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสามที่สุดเนี่ยทุกคนเราต้องการสามที่สุดบางครั้งในชีวิตของเรากับวดหรือว่าเรามีความหลายหายสิ่งหลายากเพื่อจะสามที่สุดสครั้ถ้าเรามีชีวิตมีความสุข เรางทำงานก็มีความรับนั่นเป็นสิ่งที่โปร่งสงปรากฏของโปรในครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องเหตุการณ์ที่โปรหลังจากใครหลังจากเําดึงดูดผูชนเนี่ยโปร่งสรงปรากฏแก่ในสมาชิกของเรานะครับโปร่งสรงปรากฏแก่ามีเคนที่กาลังไปจับปลาอาชีพจับปลานะครับ หลัจากพระเยซูเนี yeah. so, location, the the ่ยก็พระเยซูถูกฝังถกอุโมงค์ปีอย่างนี้นแล้วก็มีทหานควบคุมอุโมงค์อย่างอันนี้นะเนี่ยสามกเขาทำเขาทำยังไงแล้วตรานีทำยังไล้หาหลังไปจับปลาหลายครั้งพี่น้องนี่เป็นสิที่แต่การไปจับปลาครนั้นไปทั้งคืนจับทั้งคืนนะมืออาชีพนนจับาไม่ได้สักตัวเลย แต่เมื่อที่เราถ้าเราอ่านในยอห์นนะครับยอห์นบทที่นี้เอกข้าไปยอห์นเอกข้อหนถึงาเราอ่านด้วยกันนะครับสาวกเจ็ตคนนี้คือใครนะครับยอห์นบทนี้เข้อหนึ่งถึง3าเราอ่านด้วยกันนะครับพรับครับต่อมาเรื่องสูตรเลขสแตรสเรลจโกแก่เราสาวโลกรี่ท้าทายที่กำเนิดเรื่องเลขสูตรสำเร็จโลกอันนี้คือสีโมเดลโววัสตมา ใจนใจเราชอบใน่ะไมนอะไรที่ภูเขาสองสี่หลี่แล้วจะอู้ดูสองตนนั่นนี่นีท่เราไปเที่ยวกันใหาไร้นว่าเราจะไปด้วยแล้วภูเขง นิพรอทรงปรากฏก่สาวของเจ้านะครับแล้วพี่น้องนะครับอีสทปรากฏภายหลังการเปิพระชนนี้าอยคนนะครับคนห้า้อคนในนิโคลีบที่15ข้อหกนะครับนีบที่15ข้อที่6เนี่ยถ้าเกิดพี่กล่าวชัดเจนว่าพระองค์ทรงปรากฏแก่ผู้เชื่อห้าร้อยคนนะครับ หาร้อยคเนี่ยพระองเห็นถึงพระยซูชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นเราเปิดใหนึ่งคนีนะครับพี่น้องบทที่15 1นคนีบที่สห้าข้อที่5้าเนี่ยเราจะเห็นพระองค์ปรากฏแก่ผู้เชื่อห0 0อยคนนะครับหนึ่งคนีบที่ 45. สิาสำหรับที่เราเราก็ได้ชื่อว่าเราได้อ่านในนะข้อทีนะครับ ทที่15ข้อาาที่5บอกว่าพระองค์ทรงปรกแก่เกวฟาร์แก่อาคารันท12คนอันนี้รแล้วก็พองวัดภายหลางพระองค์ทรงปรกแก่พี่น้องกว่า500คนในคราเดียวกันซึ่งส่วนมากยอยู่จนถึงทุกัน น, น, น, นี้แต่บางคนก็รู้หลันแล้ว500คนนะครับอั น, นเป็นสิ่โสริตแล้วก็ พระองค์ทรงปรากฏข้อที่7นะครับพี่น้องข้อที่7ที่เรอาอ่านต่อนะครับข้อที่7จ็ดของการ<ไ>ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากร แ, แ, แ, แ, แ, รและแก่พระค้ำอู่นะครับยากรตัวเ น, นี้ยานนยากบตัว น, นี้คือน้องชายของพระเยซูฝ่เนือนะครับก็คือลูกของโยเซ่กับอามาน้องชายคนนี้เพื่อนไปน้องชายของพระเยซูเนื้อหนังนะครับ ก็เลยไม่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยมันตายแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้เชื่อเลยว่าเป็นพระเจ้าหน้าแต่เมื่อพระองค์ทรงปรากฏชัดเจนให้กับยาบอกยาบกก็เลยครับเชื่อในการยาบอเชื่อนะครับแล้วก็อาจารย์เชื่อแล้วก็เราสามารถที่ยาบอกพวเนี้ยเชื่อแล้วก็สามารถที่เป็นเป็นชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสืยาบอกนะครับเป็นยาบอกแล้วก็เป็นผู้นำในลุ่เชลเ ผู้นาที่เข้มแกร่งมีเป็นสีที่บุคโคนโรส่งการกดและก็คนสุดท้ายในโปรโงนการกฏก็คือเปล่าลนะครับที่น้องเราอ่านหนึ่ครีบทที่อ่าสิข้อแดและข้อเนะครับข้อแปดเปล่าลงในทางเปล่าลงในทางน้องครับรักษาพิสูจน์โปรโงนการกดแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นสิ่งที่ข้อก่อนําหนด เพราะว่าเขาไม่ชเป็นผู้น้อยที่สุดในคณะคารทูและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นคารทูเพราะว่าเขาไม่าได้นที่จริจ้ไม่สมควรเไม่สมควรจะเป็นคารทูแต่องสงาเพราะฉะนั้นเปาโลเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นเป็นคาราทู จะต้องเห็นพระเยซูนะครับและะนที so, others, ่นี้เป็นโตเอฟปาโลก็เป็นคนที่เป็นคนที่อาคาตุเป็นพระเยซูเป็นคสุดท้ายในการเดือที่ข้อก่อนนะครับพี่น้องทำไมถึงพระองค์ทรงปราบปราคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างพระเยซูปราบปรเพื่อประโยชน์อะไรพระเยซูปราบปราเพื่อที่จะเป็นอย่างไรถ้าเราย้อนดูกลับไปเนี่ย พี่พระองค์ทรงปรากฏแก่คนเหล่านั้นมันเป็นสําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าพระเยซูไม่ได้ปรากฏหลักฐานผู้สิบอย่างที่การบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาก็ไม่มีความจริงนะครับพี่น้องสิ่งที่พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วก็ประโยชน์เพื่ออะไรจากการที่เมื่อโยอกกลับไปนะพี่น้องอะไรย่หัวที่ยี่สิบ เนี่ยเราจะเห็นถึงอยองอยู่ที่ยี่สิบข้อสิเอ็ดถึเนี่ยมารีชาวมานดาลเนี่ยหลังจากรู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนแลถูก็กลุ่าที่อุโมงค์เนี่ยคตรเกล้าทั้งหลายนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆเนหล่านั้นนะ่ยมีความสศกเศร้าใช้คำว่ามีความสศกเศร้านะครับพระเยซูมีความสศกเศร้าเสียใจนะครับลหลายๆครั้งพี่ น, อน้อง หลายท่านชีวิตของเราเนี่ยเราพบกัสบความสดท้่าความเสียใจพระเยซูฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพื่ อ, อสิ่งที่เราจะได้ความมั่นจจใจแน่ใจนะครับใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นว่ามารีก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็พิโรธพระเยซูเนี่ยก็เป็นคน ไม่ได้ชื่ อ, อีริงาพระเยซูปเป็นศูนะพี่ถ้าเราจะอ่านในยองหนุ่มที่ 20-21-28 เนี่ยบางทีเนี่ยงเศร้าและก็คิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นแค่คนก็จะมีใช่หรือว่าพระเยซูปเป็นคนส่วนผมไม่ได้เป็นพระเยซูเราเป็นส่วนเราสเศร้าเชื่อเราเป็นแต่นั้นและก็เนี่ยพระเยซูฟื้นขึ้นมาเพื่อการนั้นมีจต่ไม่ให้สงเศร้านะครับถ้าเราอ่ในยองหนุ่มที่20พี่น้องยอง 20-29 ถง สาที่เราอ่านเล่นสักครู่นะครับเราได้อ่านไปแล้วนะครับว่าสาววสิบคนหรือว่าสาวรวมตัวกันอยู่ที่ห้องบุคคลเหล่านั้นที่เราอ่านเล่นที่นี่นะครับบุคคลเหล่านั้นมีความเลยครับกลัวมีความทุเป็นประโตูอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าถ้าเราอ่านในพี่น้อนั้นดูลูการุที่ยีิบสี่นะครับรูการุปทียี่บสีถ้าเยสุเปย์ใคร ลูกายลูกายีิบสี่ข้อสามหสามนเจ็ดนะครับพระเยซูเป็นใครอ่าลูกายี่สิี่ข้อสามหกสามเจ็ดอ่าด้วยกันนะครับเพราะครับ ต่อใจเป็นประตูใหญ่ได้นะแต่เราก็ค่ดว่าพระ เ, รเยซูเป็นอีกท่านพระเยซูนะครับไม่นจะเป็นพระเยซูฟื้นแล้วหลายๆครั้งพี่น้องหลายๆครัค้งในชีวิตของเราปเป็นเหมือนสาวขอป็นประตูตัวเองเราไม่เอาพระเจ้าแลนะ้วเราไปขออย่างนั้นไม่ได้เดีย๋ยว่ามันไม่เป็นความจริงเราเป็นประตูใส่ตัวเองนะครับเรามีแต่ความตัวแต่พระเยซูฟื้นขึ้นมา พระไม่ใช่เป็ีนะพระองค์ขึ้นมาที่พรงจากอาราจักรฝกโงดูนะพระองว่าสารที่สุดจะนำพระองค์ัยู่ก่อนอันนี้คือเหตุที่พระองค์สดยังให้ผู้เชื่อมีสารที่สุดนะครับแล้วก็ที่เราเราอา่านเมื่อกี้เราอา่านไปแล้วพูดถึงสาวก ส, วสวคนที่เดินไปในถนนบนเอเวอร์อ ส, สันเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมพูดเกิดมาแล้วว่าเขาสามสนเอพเยซูเนี่ย มือขึ้มาไม่เ่าว่าพระเยซูเป็นอาสาสม แ, แล้วก็พูดการเดนการสอคนไกันแล้วก็พอพระเยซูเดินประทุนแก่เขาเขาคิดว่าพระเยซูเป็นใครก็พระเยซูแ ค, ค, ค่คนเดินทางด้วยกันเพราะฉะนั้นหินใจความคิดตัดสอนในดวงนั้นคิดว่าพระเยซูมาประทุนกเขาและเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยลมูอสนุดเศ้าเหลือเกินแล้วก็สับสนเหลือเกินแล้วพระเยซูเดินมาทีคิดว่าพระเยซูเป็นแค่คน นั่นคือใครอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แต่พระเยซูมาราบโหดเพื่อที่จะปฏิจจาว่าเขาโกงโสดแต่ขจายความสับสนในชีวิตนี่นะถ้าเราสับสนถ้าเรามีความกลุ้มก <c oughs> ็โง่โสดกับลานะครั บ, บ, บ, บ, บและวก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราดูในเมื่อกี้ที่เราอ่านในสือยอห์นเนี่ยวันที่ยี่สิันคนหนึ่งที่สาวที่เรารู้นะธันวาเนี่ยสงสัยพระเยซู สงสายพระเยซูถ้าอะไรครับตับบออเวเองไม่ได้เอามืออะไรครับพาไปที่ข้างสีพระองค์ไม่ได้ออเอามือแยกเข้าไปที่หน้าของพระองค์จะไม่เชื่อเลย น, นคะครับเขาเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ออพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้จริงแล้วว่าก่อนหน้านั้นเธอได้รู้ว่าพระเยซูบอกว่าเขาพระองคจะสิ้นพระชนม์ ต, ตายมาพระอรงค์จะฟื้นเขารู้แต่มันยังสะสมอยู่เราไม่เชื่อ น, นคะครับ เให้ได้เยียบงไปแต่พมะเยซุบอกว่าอะไรครับไม่ตถึงขนาดนั้นถ้าเราเชื่อเราก็มีสาิสจใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราที่เราเราเราสงสัยพระเจ้ามากชีวิตของเราเราสสพระเจ้าจริงหรือเปล่าเือเรื่องของเราเล่าให้ฟังใเราว่าพระเจ้าตั้งเราในร่างาจริงหรือเปล่าพระองค์ทรงตอำามที่ถาจริงหรือเปล่า พระองค์อย like so oh, so so ู so ่ที่ข้างเราจริงหรือเปล่าในยามยั่งนหรืปล่าพระองค์สเรื่องเราเราจะตอบเจ้าพระองคตอบจริงหรือเปล่าหลายๆข้างเราสะสมสงสัยว่าสดเช่นนั้นพระองค์ทรงขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้คือให้เราสะสมไม่ช่วยบ้นะครับเหมือนกันนะครับชีวิตของเบตงเนี่ยที่พระองค์ทรงพบเป็นสุตัวเนี่ยก็ขออนันต์ตัดสิทธิรยใช่ พรงเวลาสนทนากับสาของพระองค์และพระองบอกว่าเหตการต่างๆเนี่ยหมดแล้วหลังจากนั้นเป็นลมบโอ้ปไม่ได้ทจายก็ตายกับพระองค์ว่ามีชื่ออยู่กับพระองค์แต่ตอนนั้นปาิเศษก้นถึงสาหลายครั้งเหมือนการชีวของเราเนี่ยเราปเศษสที่แนะไมว่าจะเนมารีนะครับมีความเจ็บปวดทุกย่างเอาา โปร่งฟืขึ้นมาเพื่อการทำงนที่จะไม่ให้โศกเศร้านะครับบุคคลที่ผมเล่าพูดถึงนะครับก็จะเป็นสาวโบสองคนที่เดินบนมังงุนนะครับสับสนโปร่งทรงฟ้นขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตสับสนไว้มาแต่งพระเยซูแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเป็นเหมือนกับสาวโบที่มีความกลัวตกถอยแล้วก็เปิดประตูกลัวโปุ่งทรงื้นขึ้นมาเพื่อการนั้นที่จะไม่มีความกลัว บางคร no er e, ั้งเราเป็นเหือโทรมาเราสงสัยพระเยซูพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาพระคขจัดความสงสัยเรานให้เราไว้วางใจพรเยซูบาครั้งเราเป็นเหมือเป็นตัวองปฏิเสธพระเยซูพระองค์ทรงยื้นขึ้นมาพระองค์ยจากให้เรามั่นใจกระตั้งใจในความรักของประชานี่คือเหตุที่พระองค์ทรงืดจากต่างๆครับหลังจากที่พระองค์ทรงืดพระองค์ทรงทำอะไรบ้างประการที่สองนะครับประการที่สอง ให้อ่าเปิดในกิจกรรมบทที่หน่นะครับข้อที่สามเราอ่านข้อหนึ่งถึงสามก็ได้นะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสามนะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อถึงสาเฉพาะข้อสามนราเนส่ว่ข้อสนะครับการพร้อมครับถ้าแต่ถ้าเโอเคในนักเรีเรื่องะร แบรี้ยซามารีและจงถึงที่สุดปลายแผนดิโลกนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตากหนาสี่สิบวันในโลกปนี้ที่พระองค์จะพูดขึ้นมาต้องส่งขนาวเรื่องไม่ได้พูดหยาต้องส่งพูดเรื่องนี้เพื่อที่จะให้สาวมีพระแล้วเมื่อพระองค์ทรงพูดแล้วพระองค์ทรงอะไรครับมอบอำนาจให้กับสาวกเพืที่จะประกาศนะครับในยู่ในบอที่ี่20 ข้อยี่สาที่เราได้อ่านไปเมื่อครู่แล้วนะครับพระองค์พอนาให้ในการประกาศยกทาผิดได้นะครับพระองค์ออัน่าอย่าเต็มที่แล้วก็ในอย่างที่บอกนะครับในมัคคิมบทที่28่ส20ดเกสินี่ยพระองค์ทรงพ่ออัน่าให้กับสาวกของพรคที่ออกไปประกาศทั่วโลกแล้วก็นำความบรู้จักพระเจ้ามาเป็น มาเป็นสาของพระองค์ไอ้รับหนังสือมาในขระนาแห่พระบิดาพระผู้เป็นพระมีญามาเป็นสาวกแล้วรู้หมายจะโตแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเหตุที่การเป็นขึ้นมาจากองพระเยซูเนี่ยมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อสาวกต่อผู้เชื่อวันนี้พระเยซูสงฆขนาดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อที่จะดตอบสนับเพื่อที่จะให้มาประกาศเรื่องข่าวประเสริฐแค่เดือนกันที่เราในที่เจราวันนี้ เช่นเดียวกันนะครับเราต้องตระหนักถึงสิ่งที่พระเยซูมองหมายในเวลาที่พระองค์ส่งขกับสาวกในสีสีวันสิ่ง น, น, น, นั้นไม่เีแต่สาวกใรุ่นนั้นปัจจุบันทุกทกยุจงาเวลาถึปัจจุบันนี้พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเลยครับประกาศทรงประสงค์ให้เราส่พ น, นัพานกับที่พระองค์ส่งพนันกับสาวกทั้งปีทุกปกับคนทุกคนเรื่องราวของข่าวประเสริฐเวลเราเรานั้ันสิใช่ไหมครับเราววน ได้เื่อราของพระเยซูคุณรู้จักพระเยซูไุคนไปครั้งบางครั้งอาจารย์พ่อาได้ตัวอย่างที่ดารที่หน้าท้าวเนี่ยบอกว่าไปประกาศไปเป็นทีไปถึงปั้นมันเติน้มันประกาศการเด็ดปาั้งคุณรู้จักพระเยซูมเด็ปลาเขาว่าเดี๋ยวรารนั้นเดี๋ยวเราไม่รู้จักเดี๋ยวจะไปถามเจ้า้าใหญ่ว่าพระเยซูคือใครไปอยู่ที่ไหนไปประกาศพระองค์ประสงค์ที่อะไรรับ ประสงค์ที่เราจะไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจ น, นี้คือรารจะให้พระองครงฟื้นขพีน่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหลั่หลังเสริมนะครับในนั้นที่ได้กล่าวนะทั้ ง, ท, งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพระองคงฟื้นขึ้นมาไม่จดแค่ฟื้นนะแต่สิ่งที่สํมมาคัญการจะที่ โ, ร โ, โพระองค์ทรงฟื้นเขาจะให้แน่ใจมั่นใจในเรื่องต่างๆในชีวิตความเศร้าในมาชีวิตนีม้มา อ่ากับคนว่าในชีวิตที่เรารู้สึกไม่แน่ใจเราสับส่ขอันข้องคูนขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะช่วยให้เราผ่านใจธระจชาและก็สิ่งที่พระองค์ทรงมาประุจใจนั้นชัดเจนนะเป็นอ่นั้นแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงนาอยางบ้านที่สุดอมอบอำนาให้กับนะครับวันนี้พระองค์ทรงมอบอำนาให้กับพูกเราทุกคนที่จะมุ่งกระโจนพนากับผู้คนที่ที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาดูกัน ขอบระเจ้าไวิพรระการคืระการับนที่เราจะไปทำอนไรที่นดนขอบพระเจ้าไว้ครเพรว่าเราให้กำับพีะเ้าเท่นั้พระเจ้าลับนะครับเจ้าพี่น้องขึ้นนะครับเราจะพระเจ้าไดุ้ที่้เจ็ดนะครับทีจะสูงสุที่แนี้เราจะร้องข้อนข้อสและข้อสนะครับ อเขาไม่ชอบก็สิ